เขาแต่งแล้วคงณใช่แต่เขาไม่ชอมเราคุณเขาก็ไม่ไปกับเราแน่วันนครับเชิญให้ดาบเรียนลุงพ่อนะดอกบัวใช่ไหมครับพ่อครับดอกบัวปีชมพูสใสัท่านนั้ไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามอไมื่อกี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบ แต่เราอยู่นอกพุทธศาสตร์ศาสนาเรือสายอะไรยับบ ator, pues, uh, <c oughs> <c oughs> งไงยังมีจักรีถามครับใช่ครับคือว่านี่ถ้ากดไปได้ใครฟังไม่มีใครใช่ใครเชื่อี่ท่านตอบให้ท่านฟังน่ยท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยทุกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสดงาศาสนาอื่นมียังท่านว่าไม่ได้ไปเราแค่ว่ามงศาสนาพุทธพอ คำที่ว่าพอแลวคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ทอนเนี่ยเห็นไหมส้นนึงมันอยู่ทางนี้ส้นนึ่งทางนี้ท่านจับตรงกลางมันขึ้นแบบนี้สองส้นมันกย็ยกขึ้นเองของมันศึกษาพุทธศาสนาแนละศานมันหมดที่จะสงไกรแล้วก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านเนีไปศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอี่นมันอยู่ทางสองตรงนี้เป็นจุดกลางนะ ครั บ, ค, รบคือตรงนี้ท่านเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเขันไปอีกแล้วไม่มีที่เจ้าออกอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของท่านอย่างนั้ น, นท่านก็ตอบอย่างนี้แต่เราเขา้าใจพระพุทธศาสนาแล้วก็แล้วกันบ้างเข็นอย่างนั้น <c oughs> อัตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนรับซือพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่วา่าอัตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสนาจะผ ม, มระเรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกัน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 ถ, ถ้าเพื่อขอหลังก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมเนี่ยตอบว่าอะไรครับท่านอันนี้ไอยโยมเี่ต้องไปศึกษา พ, พุทธศาสนาเองยงเอาความรู้คนอื่นไปตอบเลยมันไม่ถูกผมไม่ผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายความสมมติเขาถาม ม, มามแบบง่ายๆว่า what is พุทธศาสนาคืออะไรเออย่าผมถามท่านพุทศาสนคืออท่านท่านพอจะได้ไอแตงโมมันไม่ได้มินมีลต้องขอไปพุทธศาสนานี่ พู้ชาสาวแ่ไหคือความที่ถูกต้องเอาลนะจริงที่ถูกต้องแล้วอืมมันเป็นความจริงใช่คะใช่ความจริงที่มันจริงด้วในจริงเลยที่มันที่มันถูกต้องเลยน่ะทุกวันนี้ถ้าเราทาถูกแล้วเราก็สบายกันทุกคนมันมันสบายพราไถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคที่ว่าจริงถูกต้องมันสาคัญมากที่สุดอ่ะเออ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 นี่มันเป็นแค่อย่างนั้นอาตมาท่งบอกว่าไอาศาสตร์คือพุทธศาสตร์เดียมันครอบแครับหลวงพบอครับ อ, อยาไปย้อนกลับไปได้ถึงลวงพี่นะฮะอ่อที่คอลุงพี่ไปถึงเพี้ปับนะฮะแป๊บๆก็ไล่เ่านะแล้วเกิดขึ้นต้นใจแสดงว่าลุงพี่ต้องต้องเอ่ออย่งายงไรกัเชื่อเ่าเั้งงนะ ไปตะคุกเอาเลยว่างั้นเถอะนั่นน่ครับผมไม่ไปเชื่อเรื่องอะไรถึงไปทับทใช่คือเรื่องนั่นท่านไปเรื่องใส่เฉยในเรื่องแท้จริงมันท่านมาคนค้อที่หลังนี่เห็นไหมมีศรัทธาก่อนเออามีศรัทธาศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยเฉยจนนั่นก็ได้มาทาอย่างนี้แต่มาคนข้ออีกการบวชปฏิบัติเกิดมามันรู้เรื่องจริงจริงขึ้นมาทีหลังทับก็ไปอีกทีนึงก็ได้แน่ใจตอนแรกอาจจะใช่อย่างคนละไม้น่ะสีมันใสใสนึว่าชอบเลยนึกว่ามันจะหวานมาเที่ยวกอ้าไม่คายได เน่แต่เขาเลือกใจมันข้างแรกแลทิ้งมันนี่นผล<า>ไม้ตัวนี้เป็นเหตุที่เราทานกันไปไใ้คนคว้าผลอื่นต่อไปอมันได้ได้ความจริงอย่างนั้นอืมใช่นี่เดียก ว, ว่าข้างแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอธาิโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่มาเมื่อท่านราาเรีศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางจีกเรียงแล้วจําำติดจะยอมกยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเนี่ยศรัทธามันสองอย่างเนี่ย ไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้เอ่ต้องจับมาดูซะก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีสรัทธาเฉยๆม่มีปรรยยัญญายังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลใหม่นึกว่ามันจะหวานเอามอาทานเนี่มันเปรีย้ยวอ้าวหายใจแล้วริงมันไปเอ่ต้องหาหาผลใหม่มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาครั้งที่สองท่านได้มานั่งภาวนาได้มานพิจารณาอะไร พี่เคอกพิจนาดีแล้วมันไม่พนจากนี้ไปก็มีความเชื่อครั้งที่สองเป็นมาครับาไหมดนะนั่นผมจะพอจะเข้าใจแล้วแล้วนอกจากทุกภี่ตรงนี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับเยอะแยะไปที่บ้านโพงบาทหลวงออมาบวชที่นี่เรียนเนีโอเคแล้วที่จะบวชเนพระ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 ถ้าฝึไม่บทมไนไก็อ่านในบ อ, อินเดียหรืรอที่ลังกาหรืองก็ตามแตสถานที่บวชสถานที่บวชพูดถึง ส, สถานทีน่บวชเนาะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละแต่เรามีศรัทธาวาบวชเนี่ยคที่วาบวชเป็นยังไงนะอย่างเมืองไทยเรานะ่มันมีมันมีเทรวาสมีเทรสมาคมเป็นารพุทธศาสานาบวชจะต้องมีซีมานะฝึกซีมาจ้างซีมาสร้างซีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีซีมาจะบวชตรงไหนนี่ บวชในทะเลสาบก็ได้อ่าเพว่าคำถามผมไม่ได้ไม่ได้ถามมาแล้วเอาไม้ยังไงเอาไปที่เอนีจะเรียนหนังสือนะมีหลากหลายดีๆอยู่้าแห่งอ่านะอ่คามว่าม่มาเลิบวชเมืองไทยมากกว่าไปเิบวชที่ลังกาเอมากกว่าบวชที่พม่าอออันนี้มันเรื่องไอ้เมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอ้ัง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 เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นและอิ Sa ่ยานต้นรากเหง้าที่สังสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาคือทางพระอุปัชฌานกรรมฐานลูกสมาธิเมืองนาพจนการทั้งหลายที่ก็อยู่ที่น่นอยู่ที่มณฑ์ได้ไ้เขาใจแะ้วเขใจโยมถามว่าโยมถามว่าทำไมถึงไปวนเมือนไทยหลายคือเมืองไทยเราไม่รู้จักมันเป็นอะไรนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพักโดยคนหนึ่ง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 มากคนกเขาได้มากบงคนก็มาปวดภาษาภาษาสองคนภาษาเสร็แต่คงที่จะอยู่เลยก็มาเรีวยว่าเขาศึกษาดังคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่าอนะไรอย่างอ่ะจะมาใครว่านะ่ะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันต่อไม่ค่อยมากไปขัว้วเดือดจจริงที่มันตายเนะี่ยมันพังลงให้เรากวดมันครับอย่างเมืองไทยเราเหมือนกันบวดเดี๋ยวนี้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 กัวจะ ม, มีคนทางานในประเทศชาติใช่ไหมคะครับผมมอง่างนันไม่มีคนทำากินโอยอย่าไปกลัวเรื่องอย่าไปกลัวอย่าไปกลันวนี่ไอไ้ไสเดือนมันกลักวดินจะหมดินเ่มันี้ก็รรงองัอบอางนเราจะไปคิดอย่างนันที่มันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องประกาศไสเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติมาตัดบทจอไอ้ฟอฟอรปิงิงมันเป็นเม็ดไม่ได้อย่างนั้น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 6กวัน7จวันไงมันเป็นเรื่องของธรมรมดาอย่างนั้นการความคิดเช่นนั้นไว้เป็นความคิดของใส่เดือนจำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาจมาครามมากรุงรังดอนเดินมาเมืองนอกข้างหนึ่งเนี่ยถูกตับ v ีดีเขานี่ไปสัมภาษณ์เจ้าหนี้ออกหนังนี่นใช้หนังวันจารพักยังสัมภาษณ์ได้ก็พอใจ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 เืองพ่นี่ผมว่าผมคง อ, อาจจะยังมีปญไม่แงครับใช่อยู่นที่ใครจะเฝ้าวาน่ไปหมดแลแล้วก็อยู่เฝ้าว้านทุกคนนี่จะไปหมดกันดิใช่ครับผม้าว่านอันนั้ น, น, นีแหเากบ้านใดีนะทบ้านในสะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเฝ้าบ้านนะ <laughs> <laughs>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 อดามานี่ไม่เรียนอะไรครับเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชพระมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พัรษาก็ออกป่าริย์ตั้งแต่คราวตัณฑอาจารย์มั่นยังอยู่ะขนาดถึงถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสตร์คะเขาเป็นอายุเก่ากว่าเป็นเด็กมาอยุ่งั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขาอยู่กันน่ะตอนอายุเข้าวสารใช่เขาไปอยู่ก็ะเทศเด่นรับพระเจ้าพระสงฆ์ทุกทีเลยใช่ใช่ใช่มันมีศรัทธาอย่างว่านศรัทธาอย่างโยมวาน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 นี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างนึงโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดให้เด็กฟังเมื่อก้ท่ามันมีประโยชน์ได้ไแมมันเปลี่ยนเราเลยนะเห็นไหมจะนทําไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทําไม่มันเปลี่ยนน้ำาร้านี่ทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็ี่ยนหนี้คือธรรมชาติมันเรียนในเศษสมารณ์เรียมันเป็นมาอย่างนี้ อือการเรียนกับธรรมชาติของมอนครับแรรกจะมาโตโอกาสให้โอกาสถามญนะอยาโยมเรานี่อือไม่ได้เอาอะไรมาพูดฟังเอาควาจริงนะ่ยพูดเลยฟังครับคบผมผมมีปัญหาถามสามมี<อ>เดียวมันจะหมดเวลาต้งเวลานั่งกรรมฐานนะฮะออ่อยากนั่งกรรมฐานแบบพุทีอ่นั่งไหนกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากอยากจะนั่งเหมือนกันใช่อ่าแล้ว ผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทั้งในทางร่างกายและจิตใจของการได้ได้ได้ยังทำทาวิธีทำได้วิธีทำก็ได้ชายองจะทำได้ไม่ยาก้วทจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะมีคนเอาเท่านั้นนหะจะไม่มีคนเอาท่านท่านทำไมท่นไปคิดงันครับผมจะยอมรับคนใช่พอพูดถึ้คนทังนี่จะทายังไง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 เมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มวามสมาธิล้วความสะอาดมันจะมีปัญญากเกิดครอบเลยที่นี่มาพูดถึงการกระทำที่นี่มันกระทำยากได้หน่อย น, นะงนะ อ, อ, อืยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันมันต้ อ, อ, อ, องยากห่อนมันจพียงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่รืมตาระ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 เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจรารณาจะได้จะต้องไปวีต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงจงอย่างนั้นต่จึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิราไปนั่งไอ้คนศึกษาทางโลกมกมย่ไม่นั่งหรอกปนั่งดับตาจะเห็นอะืทางก็ยังไม่เห็นหว <c oughs> ันว่าไปอย่างนั้นอีกซะแล้วเรามองดี ม, ม้เมงไเราเห็นไม่สายตาเนเรานั่งดับตาถึงมันเดินทางนี้ทางจิตเนี่ยเราเราไปเห็นขนาดนั้น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 แก้วใบนี้มันถึงแมมันดีอยู่นี่ไปเห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทำไมถึงเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกกเลยจงบอกมันจแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้าหารว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช้ไปโดยทางที่มีปัญญาและใช้ไปมันจะแตกมาือมันมแตกกวกไป่มันเป็นอย่างนั้นเองมันนะทุก ป, ปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่มถึงหนักไปกว่า น, นั้นอีกอย่างคณป่วนยนะ คือมดูตัวตจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคนป่ยปุ๊บเข้ามาถ้าเขาโรงพยาบาลแวคจริงห่าโ้หาย็ประคุณไม่หายะวิาอย่างนั้นทาไม่เห็น้างเนียแต่หายก็เอาไม่หายแตเห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องปุ๊บถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้หายไปหมันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายไีกร้องให้เท่านั้นนไห อเหตุมันยังเหลืออยู่อย่าง น, านั้น่เชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะตัณฑ์สอนไปทางไหนโน้นท่นหมายถึงว่าถ้าเบื่อถ้าเราจะทําอะไรล้วเบื่อเราทำาม า, มามดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นได้ไงครับก็ ม, มันสุดได้จะทําไงอ่อันนี้สรุปแล้วหมายความว่ามีการเกิดก็ต้องมีการตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกข์เดียวนี้นะ่ะ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 คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเนี่ถ้าคุณนี่เรื่อกับไปปุ๊เออเรื่องติดกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องไกลกั น, น, นมันเป็นอย่างงั้นเพรมันมันเป็นอย่างงั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีครับนะฮะปัญหามันสมบูรณอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นตากความเป็นจริงมันอย่างนั้นใช่ท่านครับไอ้ไอ้ข้อนี้ครับผมยังยังไม่ไ่เข้าใจเลยเดียวให้มันเข้าใจไม่เขาใอยตามเราพุทธนว่าเห็นไปตาเข้าไปเห็นนะะเอย่ามั่งใจนะในสิ่งที่อเกิดขึ้นอย่างน<า>ี้ ให้เข้าใจถูก <Jacqu> ด <eline ina uno> yeah, ิยังงั way, no è, <c oughs> ้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิตีจะไปกินยาเลยอ่นานี่เรื่องโรคมันจะเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อน้าคุณกินยามันหายทุกคนยังพึ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างนี้ต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นอไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้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 ไอ้ที่ที่ผมผมได้อ่านบทความของชางพิสูจน์นะก็อย่าให้นกว่ามั่นว่าอย่าให้เป็นของกูอล้วท่านพูดแบบนั้พราะกูของกูเล้วอย่ายึดมั่นในั่นนะท่านหมายความว่าไงครับาชางิสูจนนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านอธิบายคใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่่าจะกของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มี กูนี่ท่านหมายถึงเรายึดตันถือว่าข่องนี้มันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติเดี๋ยวนี้คุยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึ่งพูดได้ข้างล่างคนหนึ่งพูดขึ้นข้างบ น, นมันเรื่องจิตเรื่องความเนจริงจริงกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกัน อันนี้มันเป็นภาษาคนอันหนึ่มันเป็นเบืองภาษาธรมแต่มันไม่เป็นตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันมันมันเป็นอย่างนั้น อ, <laughs> อันนี้ต้องต้องอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตมันสงบท่านจะให้มีศีลมีสมสาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเถียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ มันมันมันมันไม่เห็นแน่คุงเฟยตรงนั้นไอ้ความจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงเันแล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันมันก็ยกกันมาว่มาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เนาโลกใช่คือคือองจะเข้าใจแล้วครับอก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วเพราะว่าเราเชื่อ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 แต่เรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นหรือมั่น ใ, ในสิ่งทั้งหลายแต่เรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำาหารินสร้างจักบวาลไปให้ใครครับไหนก็นั่นที่ึันว่านี่สร้างก็อยากให้มันทุกตีกแต่ใหม่ทุกเท่ น, นั้นอยากสร้างอลยใหญ่ทุกก็ไม่ต้องสร้างเอาไใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไหนใครคุณทุกคนสร้างให้ใครมีไหมไม่ต้องคิดว่าให้ใครสร้างเา น, นี่่ฉนพูดตามความจริงเนี่สมมติเราคิดแบบนันนะเออ นั่นหรอมแไม่ใช่มนเามกนเมื่อเราต้องอาจาของลัไปอะไรนีเ้เแบบนั้นแล้วเราจะส ร, ราา้างสร้างอประเทศชาติจะเจได้ไงครับอือเราเราียกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างไหมสร้างมาทำไมเมื่อไม่ีปเราก็ตายแล้ว น, น, นี่ใครสร้างนี่ใครเป็นคนสร้างนี่ใครเป็นคนสร้างนี่เนี่ยคนสร้างได้อะไรไม่ที่นีพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นนะ ท่านไม่สอนเนี่เป็นคนเห็นยงแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีตะต ม, มาก็ซื้อเท่าไเถอะเพื่อนไม่ใจคนใดใบแต่ใบในใบดื่ดด น, นัก็ได้ไม่ใช่ใไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเขาทำไมมีมากก็ได้แต่เราย่าให้มันเป็นทุกให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบแต่นั้นครับนั่นผมปล่อยเข้าใจเราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่าตรงกระจยายสี่เราอยสร้าง ได้อะไรสิ่งที่ให้ถูกทางไว้เลยครับได้ได้คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั้นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณ น, นะนะแต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั้นน่ะมันก็ยังเป็นของคอุณนะมันจะทุกข์อีกมันจะลำบากอีกถ้าไฟมาไหม้กครลหมักให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ <c oughs> อืมอืม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 คนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะเรดีประกันเนาจะถามคุณยังงี้อ่ะท่านก็ถามว่าไงครับคนรวยก็คนจนใครดีกันมันว่ต้องถามว่าแบบไหนแบบไหนแบบมันดีนดอกดีถึงจุดสุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาครับคนดีแล้วรวยดกันนะฮะคนจนคนรวยคนจนกคนรวยว่าดีต้องต้อง ต้องอไปคนรวยเคยมีทุกข์ไหมไม่ต้องต้องไปมีทุกข์แน่นั่ น, นแหละมันก็เสมือกันอย่างนั้นไหนไหนแต่ผมว่าไอ้คดีการนี่มันไม่มีใครดีอะไรโลกใช่นี่มันเสมือกันอย่างนั้นดิพุทพูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้าน ถ, าถ้าคุณมีบ้านนั่งใหญ่กว่า บ, บ้านนะคุณแหละดีใหญ่กว่าเขาตั้งแต่มันพังน้อกว่าพังใหญ่นะแค่น้าท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้น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 จิตไอคิดทบทวนไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตก่อนอันนี้อันนี้ไอคุณจะเสริมปรกมามันเป็นทางนอกอันนึงนะทางในอันนี้พูดเสริมมอกันนี่มันฟังยากกันคลับนในในในที่ว่าอย่างนี้อาจารมาจะบอกง่ายง่ายว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้ความสงสัยนั้นตายก็ไม่หายคุณจำใหม่บทหนึ่งนะนะ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 มันจะรู้อะไรมันจะนี่มันอย่าคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมติตอนที่นั่งเนี่ยบางที่ไอ้ไอ้ไอเรื่องคือมันเข้าในกิ่เรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตหออเรื่องที่เราไปเจออะไรคนนั่นละนั่นละนั่นเรื่องทรมานมันนั่นพูดสิมันรวบตรงไหนกูพตรงนั่นิแต่มันอไอ้ไอ้าไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ ตอที่เรานั่งสมมตินั่งนะไอไอกินอย่างอื่นมันเข้ามาจิตอะไรออไอไอเรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็น เ, นเรื่องธรรมชาตินะที่มันอไอไ อ, ไอที่จะเอราอจะตัดโดยใจรับตัดให้มันใจแบ่ใจ ไ, ไม่ใช่เอาเดียวนี้นะนานนะ น, น, น, นี่อีกในชีวิตดึงได้ก็ยังดีนะ น, น, นี่พูดนี่นะไม่ใช่มันง่ายขนาดนั้นนะตรงไหนรู้มันเรื่องอะไรก็ผมว่านะครับอ่อกมันไอที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรจิตเข้ามาให้ว่างทีเดียวผมว่ามันใช่ เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างงั้นะเช่นว่าคุณนัง่งจ้งดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหม<ต>คุณ <ผม S 1> ยังไงเนอะเออได้ยินนะได้ยินนะคุณจะนึกว่าอย่างไรคิดว่เสียงมาควนเราน่นเนะผมผมไม่ร น, นึกยังไงจะสบายไมจะสงบสงบไมผมว่าผสงบเสียงก็เสียงม่บอฮะได้ยังงจริงเนีือันนี้เป็นคำพูดเฉยเนี่ไมบ่บางทีไรกจริงแต่บางทีถ้าเผิอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์นี้ามันก็รบกวนเหมือนกันครับนนน่มันรกวน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 ไอเสียงอยางอื่นเ้ามาล้วคนมั้งนะมีใช่ไหมครับมีผมขอถามได้นะครับมีมีแล้วหลวงพ่อทำอะไรครับเวลาแต่รู้มันอันนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉืยเไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านเป็นไก่มันผ่านเห็นชุนักมันผ่านชุนักมันผ่านมาแล้วอะไรมันผ่านก็ผ่านไปไอ้นี่เคตกรงอเฉอยแต่นั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้คิดต้อก่อนสงบ หลวงพ่อเอไบอกวิธีนั่งนะครับนี่นั่งอย่างเดียวนี่นั่งสมาธินั่งสมาธิเอาขาขวาจับใ้ใต้มือขวาทักมือซ้ายนี่นี่นนี่ท่านะเออดั่งใ้ตรงมือขวาัมือซ้ายเออตรงนะนั่นฟันฟันจรบคุกนั่นนะอยับใต้จับต้นะแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จีบเพยเดียว เรื่องการงานทุกถึงเรื่องรอยแล้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วว่าเราจะปล่อยวางออแล้วกำเนิดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นเป็นหลักฐานลมออกคือว่าหายใจให้มันสบายหายใจมันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันสั้นนะไปตามสบายพวกมันนะ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 ไม่ต้องเพลงอะไรยรับไม่ต้องเพลงอะไรดูนี่นี่นีนดูรถเข้าออกนี่เนีนะ่ยเอาเช็ดีูนี่เนี่ยไม่ต้องดูอะไรน่าหนกเอาตามกำลังนะเอาตามกลังนะเป็นันมากแล้นานนบอด้าแลนั่งวะเดียออถ้ามีโอกาสทนายก็เอาเถอะบางคนก็เป็นไปนั่งอื่ทงวันมันกไม่ได้ทงานอย่ ใช่แค่วุฒิประโยชน์สิให้คนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วหนิง้างเงินเวลาเราจะดนอนเดิยไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหาโรงไม้ดีเป็นนั่งเดี๋ยวหลับเลย่นะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะคนจีเกียดเนี่มันดับเนี่ยเราขี้เขียนหนังสือเราเคยดับไหมมันก็ยังเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทําบัญชีอะไรมันดับไหมเนี่ย มันจะหลับยังไงมันเขียนอยู่จ่องหลับมันก็พังเท่านั้นแหละจิตนี้ก็เนกานมันแยกออกจากลมเท่านั้นแหละคนี้ไม่ได้ทนะสงสัยามายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทนะทีนี้ต่อไปนีเมื่อเมื่อโยนใจจิตสงบเนี้ยไม่ต้องนั่งมากก่ต่อไปนั่งทีละหนาทีนั่งไปที่มันจะเก็บปวดกันแน่แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อคุณออกจากสมาธิ จะไปทํางานอะไรที่ไหนจะทําอะไรต่างจะยืนเดินนัง่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทําอะไรอยู่อย่างนี้คิดอะไรอยู่อย่างนี้ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อย่างนี้นะนเอออันนี้มันเป็นที่เรียกว่าอ่าให้กําลังเราที่ไม่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทํางานอันนี้ว่ายืนเราก็ต้องทํางานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทางานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่สเสมอเท่าที่เราทําได้ ลองดูให้จิตสงบลองลองทีอลองลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นะนะั่นแหละเออไอตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นเดยให้มันดูขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นเพราะงั้เราลองทำดูครับแนะ่ก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทําแบบปของพวกเอเดียนยไม่ใช่ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไนนอไอ transcendental meditation สองอเรียเหรออืมใช่ไหมดังนั้นก็ก็แบบให้พูดถึงคำคำโดยที่คำํำคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทําให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคําที่ไม่มีความหมายอืมมันก็คล้ายๆกันเองนะอืมอืมกับของของพวกเราอันนั้นเราเราเรารู่ได้ไม่รู่ถึงแง่มมของมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของมันความจริงๆของว่าง แค่ไขว่ า, าแก้วนี่ไม่มีมครับต้องมองเห็นแก้วดีของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างเลยว่างมันเกิดจากของพินิจอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างอ่าฮ่มีแก้วเดี๋ยวเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างจั่งจิตนองมันว่า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 ก็มาทั mind, ้พันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะที่จะเรียกนายกคนนายกกันนีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ว่ามีเรืออยู่์ที่นี่มีมุดมันก็มันก็พ้นจากนี่ไปขึ้นมามันไม่มีอะไรตรงนี้ที่มีเรี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสมมุติของเรานี่ก็มันของคุณเขาแก้วไปไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาหาพระไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเดียงไม่ใช่ของผมซื้อมาเดี๋ยวนี้ชื่อก็จริงซื้อมากว่าไม่ใช่อ่าอย่างนี้มันว่างอย่างนี้ ลงการนั่งสาธนี่ผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่าท่านอยากนอธิบายอาตมาเห็นมามันมันไม่ค่อยยากอะไรนะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุมันถถ้าเราทำแล้วผลมันจะเกิดคนดีไม่ไม่อยากจะรู้ครู้คนเช่นผลไม้ผลนี้นาะจะทาให้เขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาตมาไม่เคยมามันนอกนะ ไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อัตมาก็ชื่อผลอะไรเนี่ยอัตมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหานั่นเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ า, ถ, าถ้ามีคนขอบคุณก็มาบอกคนที่ชื่อนั่นก็นรับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันแอตมาในชั้นผลไม่สนิทนี่ก็แล้วนะตอนนั้นนี่ยถ้าเขาอันนี้ผลอันนั้นมันมีเพิ่มความหวานขึ้นอีกเนหะ็นไะห มันไม่เพิ่มความมาเรศลอยขึ้นอีกหรอกนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรู้กัรู้เป็นคนรู้คนเกิดคือเกิดเกิดฉะนี้จิตต้องคุนเยียบเย็นคุณจะมีตสตสิปัญหาได้เกิดขึ้นมาพวกเป็นตัวคุณจะพยายามตนะัดออกได้หมาหเป็นทุกอย่างแต่ไรู้เต่ารู้จักว่าอะไรแต่ละอย่างนั่นนะมันจะเป็นอย่างนั้นจะจะจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆสั่นเอียดไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไป อย่าให้ร้อนนะร้อนไม่พบนะความนึ่งร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมาตั้งสามสอนแล้วางซะคือคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งนั่งการทเพียนั่งเพการปล่อยวาง่่จะเอาอย่างนั้นนครับผมไม่ได้ิอครับเพื่อเพไอความเพื่อนเพื่อสงบ่ะิสก็สงบครับบางครั้งก็บางครั้งก็ไม่เร่ไหนั่นแหละ มันก็แล้วแต่เรื่องสังคมแ่ความคิดก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปือยงูให้ปูกคนให้อาหารูกนจะเปลี่ยนล้ยตัเออสุดลนีกพต้อเร่ัต้องเอาเองแม่ย้ไ่ยม้งพ่อกมไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวีเจ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 ถ้ามามเมามังว่าพุโทโธมันจับจะราคาญเกิดความสงสัยนี่นี่ไม่แล้วจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมน้ะไอ้พุโทโธนี่คือตัวผูรู้นั่นเองเนะไม่ต้องว่าพุโทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นความรู้นั่นเรียกว่าพุโทโธไอ้ตัวพุโทโธนี่คือคําพูดที่เรารู้มันลงเข้าออกย ท, ทุกขณะนั้นมันเป็นตัวพุโทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุโทโธพุโทโธ เราก็ไม่ว่าพุโทโธมันลงมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยกันอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุโทโธมันก็รู้อยู่แล้วอความรู้นั้นนเรียกว่าพุโทโธความรู้สึกว่าพุโทโธนั้เรียกว่าพุโทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนทค่นี้เข้าใจเด่นก็พอเนี่ยเอามาวางในตรงนี้แค่นไม่ต้องนำรถก็ไปตรงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกคือมันเข้าอย่านั้นลนิ่งในตรง น, นี้คนที่สุด มีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นลมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ใพร้อมกับความสงบจริงทั้งหลายเราที่สงบลงไปละกิจก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ที่นี่ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรจะพิจารณาตัณหาวิสัชนาเป็ น, า, นาป่ายาส่วนนี้หมดมพิจารณากายกายทังกอนเป็นกาย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 จะเล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความคิดนะคะว่าเมื่อทุกคนที่ทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็แน่นกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งไปนานๆเมือ่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เล่าให้ที่เป็นความคิดอันนี้มันเรื่องเบ็ดเสร็จอันนี้มันเรื่องคนกับบุคนคลมันเรื่องที่นั่นนั่นแหละถ้เห็นสวรรค์จะกระโดดขึ้นไปไหนเลย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 อันนั้นมาของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่าง น, นะันจุดประสงค์ของหลวงพ่อกคือว่าการนั่งกรรมฐานที่ต้องการทำจิตใจให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของออท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่ามาบกัว่าจะหมายถึอย่างไรเตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้อยากนั่นแหละคนชอบเรียนมัลุคนชอบเรียนมัลุจะไปนั่งมันแําลำพานทไมยังไงนั่งไปดูจามีไม่เห็นผลของเกดดูมั ไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันงไปด้วยอย่าง้คือแค่เพื่อนั่งให้ต้องการจะเห็นเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทะคนเออไอ้เราไม่ต้องการจะเห็นอะไรอ่คนที่เห็นอะไรไอ้ยึดจาของมันจะอบนั้นเยใช่ไอ้คนเราใช่ไหมนีไอ้ทีใครบอกว่าเห็นน่นเห็นนี่เพรว่า ไอ้เหดแข็งมากกว่าปล่อยเตัวนว่างเลยแสดงว่าเาก็บเขาไม่ว่างิบทเรยใช่ถกหท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีคนหนึ่งเห็นเห็นเรื่องจนหลังกมันมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมุมบ้านหรือาเนี่ย